สำหรับตอนนี้อาตมาจะขอถวายพระพรในด้านของโทสัจจริตเฉพาะในเรื่องของกสินสีตามที่อง์สมเด็จพระมหาหมุนีแสมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจา้าได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแนะนำว่าบคุคคลผู้มีโทสัจจริตเป็นประจำ นันควรจะเจริญนอกจากพอมิหารสีแล้วก็ควรจะใช้กระสินสีสีกระสิน ส, สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตามมัธยาสัสเพื่อเป็นเครื่องปรับปรุงใจให้พ้นจากอำนาจของคนเป็นคนโทสารายรือโกรธง่ายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรรปมสัจสันดารสรงตัดอย่างนี้ เอตมาภาพเข้าใจว่าสมเด็จพระมหาวุณีคงมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นจะเป็นอย่างมากเพราะว่าสมเด็จพระผู้มีพระาพาาเจ้าเป็นสัพพโยวิสัยถ้าหากว่าพระมหาบพิตจะตั้ถามเอตมาว่าเป็นเพราะอะไรทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรงตัดไว้ เ, เพียงอย่างเดียวจะได้ปฏิบัติสบาย <c oughs> อันนี้ถ้าจะพิจารณาไปไม่ใช่เอตมาทราบ เป็นแค่เพียงว่าเอาจิตของตนเองเป็นเครื่องวัดว่าอารมณ์ของบุคคลบางคนชอบมีอารมณ์ทรงตัวมากกว่าอารมณ์คิดคือทําจิตให้สงบสงัดอยู่เฉพาะอารมณ์บางอคติบางอย่างอารมณ์บางอย่างเท่านั้นปักไว้เฉยๆอย่างนี้มีอยู่โดยคนบางคนใช่รมทรงตัวนิ่งไม่ได้ต้องใช่อารมณ์คิดจึงจะมีความสบาย แม้แต่บุคคลคนเดียวก็เช่นเดียวกันคนเดียวกั น, นเพราะนั้นว่าบุคคลดีคนเดียวกันนั้นบางครั้งมีอารมณ์ชอบสงัดแต่บางครั้งก็มีอารมณ์ชอบคิดเนี่ยแต่มาพิจนารณาแล้วเห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรเท่าที่ทรงตรัสอย่างนั้นก็คงจะมีความหมายถึงบุคคลประเภทที่มีอารมณ์ชอบคิดประเภทหนึ่ง หรือว่ามีอารมณ์บางคนที่มีอารมณ์ชอบแพรอารมณ์ทรงตัวเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องการอย่าคิดเกรงว่าจะพุ่งสั้นมากเกินไปในอย่างหนึ่งดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้ทรงให้กรรมฐานคู่ปรับกับโทสะจริตไว้เป็นสองประการ ด, กด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมวิหารสี่เป็นอารมณ์คิดก็สินสี่ไปอารมณ์ทรง ก็ทรงอยู่ในการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะและความจริงกระสินมีทั้งสิบอย่างถ้าพระมหาบ พ, พิตรจะทรงตรัสถามว่าทำไมกระสินทั้งสิบอย่างนี้จะใช่เหมือนกันหมดไม่ได้หรือทำไมจริงจะเฉพาะมาใช่แต่เฉพาะวนณกสินสี่อย่างเท่านั้นถ้าทรงตรัสถามมาอย่างนี้อาตมาก็คงขอตอบ ขอถวายพระพรว่าจนด้ยกล่าวตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ทราบความประสงค์ขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาถ้าจะถวายพระพรไปก็จะกลายว่าเป็นการเดามากเกินไปถึงแม้ว่าจะมีใครมาจ้างให้เดาอัตมาก็ไม่ขอยอมเดายอมเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเราะว่ามีเหตุหลายประการ เท่าที่ผ่านมาแล้วในระยะตนอาตมาเองไม่เข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ก็พยายามทำตามคำสอนก็รู้สึกว่ามีผลทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาพยากรตัวเองไปอาลาหันกล่าวกันแต่เพียงสั้นๆหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นความดีเบื้องตน้น อย่างที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนให้รักษาศีลทรงสอนให้ให้ทานในตอนต้นอัมมาก็ไม่ทราบทั้งอันดีสองเ <c oughs> ว่าจะมีผลเป็นรปการใดแน่นอนไปฟังท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ท่านพูดกันก็ตท่านก็พูดแต่ผลในชาติหน้าผลในชาตินี้ไม่เคยที่ฟังใครกล่าวให้พบให้ได้ยิน <c oughs> แต่ก็มาพบหลวงพ่อปานวัดบานาองโคสมัยนั้นแต่ความจริงสมัยนั้นอาตมาก็สัมผัสกับท่านผู้รู้น้อยมากไม่ค่อยได้พบใครไม่เจอพระทุกองค์ท่านไม่มีความรู้แต่บังเอิญไปถามองค์ที่ไม่รู้เขา้าท่านก็ว่าชาติหน้าจะได้ไปเทงเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างจะเป็นพรหมบ้างก็ว่ากันไปแต่มาพบหลวงพ่อปานท่านบอกว่าผลชาติหน้าใหญ่แต่ว่าผลชาตินี้ก็มี นี่ยเลยทำตามท่านดูก็รู้สึกว่าทานก็ดีสิงก็ดีภาวนาก็ดีไม่ใช่มีผลชาติหน้าอย่างเดียวต้องได้รับผลตัณฑชาตินี้ไปก่อนคือความสุขใจ <c oughs> ได้ให้ทานแล้วแล้วก็มีความได้มิตรขึ้นมามีความสุขคนทั่วก็มีคนดีก็มากคนดีเขาไม่รู้สึกคณคนเป็นของธรรมาดา จะต้องมีอยู่ไม่ใช่ว่าให้เขาและเขาดีทุกคนแต่ชื่อว่าใจก็มีความสุขเพราะได้มีโอกาสได้เกลีือคูณเขาเห็นเขาอากตัญยูไม่รู้คนคนก็นึกยิ้มอย้ในใจว่าคนนี้ช่างอะไรเป็นหนี้กิเลสมาได้ใช่ก่อนไม่พอยังจะมาหนี้กิเลสตัณหาในชาตินี้อีกสร้างอคุิสสรกรรมทำขึ้นเป็นคนที่น่าสงสารอย่างยิ่ง การรักษาศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขการภาวนาทำใจให้เยือกเย็นอันนี้ก็รู้สึกว่าชาตินี้มีผลนี่การที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอน ท, ท, ทั้งที่อเตมาไม่ทราบมณิสงก็ลองทามาแล้วก็มีผลคือมีความสุขใจใ น, นในด้านที่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องใช้เฉพาะกสินสี่อย่างนี้อรตมมาไม่เข้าใจชัดเหมือนกัน แต่ว่าผลที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสรค์ให้มีประโยชน์อย่างอา่อาอยางโอทายตะกสินกะสินสีขาวถ้าทํำกสินข้อนี้เข้าจนเป็นฌานสมาบัติผลที่ได้ในอันดับแรกก็คือมีความสุขใจจิตใจไม่ดิ้นรนมากเกินไป <c oughs> แต่ว่ายังเป็นบุคคลที่พูดทรงฌานโลกีหรือเป็นโลกิยชนก็ยังมีความทุกข์ยังมีความดิ้นรน แต่ความดิ้นรนมันน้อยลงถ้าดิ้นน้อยมันก็เหนื่อยน้อยดิ้นน้อยมันก็ลําบากน้อยนี่เป็นนวรจิตถ้าทรงฌานได้อารมณ์มีความสุขความคิดความอ่านมันก็คล่องตัวนี่เพือ่อนระดับแรกนี่สาหรับโอทายตะกสินกะสินสีขาวเป็นสมุดฐานให้เกิดทิพย์ประจุขุยอน เมื่อทำกระสินนี้มีความเข้มข้นขึ้นที่ประโยุน์ขยัก็ปรากฏตอนนี้เป็นปัจจัยให้มีผลกําไรมากขึ้นมากมีความสุขใจยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสามารถพิสูจน์ผลความดีและความชั่วของตัวได้ว่าความดีและความชั่วของตัวที่ทํามาแล้วในการก่อนมีผลเป็นปรายการใดได้ความดีในการที่ทําในปัจจุบันมีผลเป็นระการใด และการที่จะก้าวต่อไปจะทำยังไงถึงจะมีผลรวดเร็วโอทาแตกสินให้ผลสามารถจะรู้การก้าวหน้าของตอนได้ว่าเราจะทำเข้าทั้งจุดนี้ควรจะทำจุดแบบไหนจึงจะตรงจุดไม่เปปอะเปะปะไปเหมือนกับคนตาบอดคลำทางนี่เป็นอันมากาศสินสี่ระการนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะโอทาแตกสินมีประโยชน์มาก นี่การี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> ทรงให้คนที่มีโทสะจริตใช้กระสินสีอย่างแล้วมีผลเรื่องนี้ปรากฏมาในพระธรรมบทคุ่ตันี้กายสมัยเมื่อองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสินดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงประชนอยู่ หมัยนั่นองค์สมเด็จพระบรมครูกับอาคษาวกก็ยังอยู่พร้อมเพียงพระสงฆ์มีมากปรากฏว่าในกาลหนึ่งอาคษาวกขององสมเด็จพระผู้มีพระภาคคือภาษารีบุตร <c oughs> <c oughs> เป็นได้รู้จิกคนหนึ่งเป็นลูกชายของ น, นายช่างทองเธอเป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยและก็เป็นคนรวย เรื่องคนล่มคนสวยคนรวยพระสาลีบุตรก็มีความเข้าใจว่าเธอก็คงจะมักมากิการมารมจิตใจจะยุ่งยากไปได้วยเพื่อนระหว่างเพศเพราะตามที่เคยสังเกตมาเป็นอย่างนั้นจึงได้พากันมาขออุปทานอภัยจึงได้ให้กับมาฐานกับพระลูกชายในช่างทอง เป็นอสุปกรรมฐานกับกายกระตานุสติพิจารณากายเทียบกับสรากศพเพื่อเป็นการตัดราคาจริตความจริงคนที่มีคนที่มีราคาจริตรักสวยรักงามเจ้าระเบียบคนที่มีโทษสาจริตนี่จะทําอะไรเร็วๆแต่ว่าทำอะไรหยาบเดินตึงตังคมครามหนักๆทํางานหยาบๆทาเร็ว ทำเร็วคล้ายๆกับคนที่มีพุทธจริตแต่คนที่มีพุทธจริตทำเร็วต้องการเร็วแต่มีความละเอียดมากคนที่มีโทสจริตทำงานเร็วตึงตังคมความรวดเร็วแต่ถ้าว่ามีความหยาบมากต้องสังเกตนี่นี่เป็นข้อสังเกตนั่นพระลูกชายในช่างทองจเจริญสุภกรรมฐานมาสามเดือนอยู่กับพระสารีบุตร ในที่สุดไม่มีผลในการปฏิบัติเอาอะไรไม่ได้เลยพอออกพรรษาขึ้นมาภาษารีบุตรจึงพาพระลูกชายในช่างทองไปเป้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรงดำเบิกเขาเขาก็ทานอภัยดย้วยโซ่โดยคิดว่าพระองค์นี้น่ากลัวจะไม่ชวลีัยพวกเราเป็นผู้ฝึก จะต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกความจริงอาการของคนที่จะต้องฝึกมีอยู่สองประเภทบุคคลประเภทหนึ่งต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกเองจริงจะมีผลอีกประเภทหนึ่งสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลซึ่งเป็นคู่ปรับกันมาสามารถจะฝึกได้อันนี้ตีตัวอย่างไป ม, ม, มีมาก ตัวอย่างยังไม่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะทรงดับขันเข้าสู่ท่าปรินิพานความจริงจะทรงนิพานที่ปาวาระเจดีก็ได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสงสฺงปัถนาในการสรงคราะห์ปริพ่ายชกซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่องค์สมเด็จพระพุทันต้องทรงสั่งสอนเองถ้าคนอื่นสอนไม่มีผล จากนั้นสมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงสมเด็จไปที่กรุงศิรรามาหานครตอนนั้นเมื่อปริพาชกชคจะเข้ามาเฝ้าพระห้ามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ส่งตัดพรปล่อยให้เข้ามาการที่ตถาคตต้องทรมานพระกายลําบากมาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการจะสงเคราะห์ลูกชายคนสุดท้ายคนนี้ นี่เป็นอันว่าคนที่จะทรมานให้เข้าถึงความดีบางท่านต้องเป็นพระพุทธเจ้าเองบางท่านบริษาวกสง่งเคราะห์ได้สําหรับลูกชายในช่างทองท่านบริษารี่บุตรก็ตำหนิดว่าอาจจะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าผู้เดียวองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงสั่งสอนให้คนนี้เข้าถึงมรรคถึงผลได้ท่านไม่มีความประมาทคือไม่ทะนงตน ดังนั้นเวลาออกพรรษาแล้วจึงได้พาพระลูกศิษย์คือลูกชายในช่างทองไปเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลแล้วกราบทูลในทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วสามเดือนเธอไม่มีผลคนคนนี้จะเห็นจะต้องเป็นองค์สมเด็จพระทศพลทรงสงเคราะห์เ <c oughs> มื่อองค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจา้าทรงทราบจึงได้ทรงตัดเก็บภาษาริบุต ว่าสาลีบุตรตาดูก่อนสาลีบุตรเธอจงกลับไปเถิดคุลบุตรผู้มีศรัทธาที่ชื่อว่าตาทาคตสงเคราะห์ไม่ได้นั้นไม่มีเมื่อใบสาลีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระจินทร์ีก็พิจารณาดูจริตว่าพระองค์นี้นี่เธอมีจริตอะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบด้วยอานาจพระพุทธิยาน ว่าเขาผู้นี้เป็นผู้มีผู้ผู้หนักไปในด้านโทสะจริตไม่ใช่ราคะจริตเจนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรยิ่งได้ทรงนิรภัยดอกบัวทองคำขึ้นมาดอกหนึ่งและเป็นดอกบัวสีแดงจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสด์ทรงให้กับพระลูกชายในช่างทองเมื่อเธอจงไปนั่งหน้า ที่ด้านหน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านดอกบัวปักลงไปในกองทรายนั่งลืมตาพิจารณาจำภาพไว้ว่าสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพภาวนานึกในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงเธอทำตามนั้นเธอไปมุนกองทรายเข้าเอาก้านบัวปักริมตาจำภาพดอกบัวสีแดง ลหลับตานึกถึงภาพสีแดงแล้วนึกภาวนาในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงเมื่อภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตามาดูใหม่จําได้ก็หลับตาใหม่ทําอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาภายในไม่ช้าชั่วครู่เดียวเธอก็ได้ฌานสีภาพดอกบัวที่เห็นในใจจากสีแดงกลายเป็นสีเหลือง สีเหลืองก็อยจางไปจางไปเป็นสีขาวที่ละนอยละนอยจนกระทั่งเป็นสีประกายพลิกสามารถจะนึกบังคับภาพนั้นให้สูงก็ได้ให้ต่าก็ได้อยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้คร่องในอารมณ์ของจิตตอนนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในพระมหาวิหาร <c oughs> สมเด็จพระพิชิตมันทรงพิจารณาว่าพระช่างทองเวลานี้ทรงชันสีในกาสินแล้วเป็นชันโลกีแต่ว่าในขั้นต่อไปตอนที่จะเข้าถึงความเป็นโลกุตระความเป็นพระอรหันถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอสามารถจะไปได้ไหมองสมเด็จพระจอมไตรก็ทราบด้วยอำนาจพระพุทยญาณ ว่าเขาพูดนั้นไม่สามารถจะทําได้เพราะอะไรเพราะกําลังใจยังอ่อนองค์สมเด็จพระจินวรย์ยได้ส่งช่วยได้วความจริงการช่วยในยไม่ใช่ช่วยประยุกใจเขาช่วยสร้างนิมิตกระสินให้เป็นมิปัสนาญาณอันนี้มีบุคคลหลายคนมาถึงก็บอกว่าขอบา ร, รมีหลวงพ่อช่วยให้บรรลุมรรคบรรลุผลให้ได้ฌานสมาบัติ ก็รู้สึกแปลกใจและไม่รู้จะทํายังไงก็บอกได้แต่เพียงตรงๆว่าช่วยไม่ได้คนทุกคนต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้ายังช่วยคนอื่นไม่ได้เรื่องกําลังใจจะช่วยได้แต่การภายนอกคือให้กําลังใจนั่นได้สนับสนุนกําลังใจได้แต่จะไปช่วยใจให้เป็นคนฉลาดช่วยใจให้เป็นคนมีฌานสมาบัติอันนี้ช่วยไม่ได้ สำหรับพระดุชายในช่างทองพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยด้านจิตใจแต่ก็ช่วยในสิ่งที่เนื่องโดยใจภายนอกนั่นก็คือเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าเธอเล่นชาญสีกำลังเพลิน <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงนิรมิตดอกบัวทองคำที่มีสีสดสวยๆก็งามนั้นให้กลายเป็นดอกบัวที่มีสีเศร้าหมอง เมื่อพระลูกชายในช่างทองลืมตาขึ้นมาดูดอกบัวเห็นสีเศร้าหมองใจก็แปลกใจว่าเมื่อสักครู่นี้สียังสวยอยู่นี่ทําไมสีดอกบัวไปเศร้าหมองเป็นอย่างนี้เศร้าลงไปมากก็เลยมา เ, ยเทียบในใจว่าโอนหนอจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราก็เหมือนกันเดิมทีเรามีความกระปรี้กระเป่าสวยสดงงาม มีความเปล่งปลั่งอวัยวะสมบูรณ์ต่อไปถ้าความแก่เท่าปรากฏมันก็จะเศร้ามันดอกบัวนี่เธอก็หลับตายแล้วก็นั่งนึกถึงภาพดอกบัวเศ้าหมองก็คิดถึงว่าร่างกายเราแก่ไปแก่ไปทุกวันทุกวันมือต้องจะเศร้าหมองแบบนี้พอยใจสบายดีหวังว่าจะเลิกลืมตามาดูอีกทีตอนนี้องค์สมเด็จพระจินาสีนิรมิตให้กลีบดอกบัวหล่นลงไปเสียแล้ว เหลือแต่ฝักยิ่งเศร้ามองใหญ่ใกล้จะหักเหี่ยวแห้งลงไปมากเออก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะเวลานั้นจิตเป็นฌานสี่ปัญญายอมเกิดด้วยน่ายของสมาธิมีความเห็นว่าร่างกายของเราต่อไปนี่มันก็จะทุดโทรมเหี่ยวแห้งลงไปเหมือนก็คนแก่ที่เราเคยเห็นมีหนังหุ้งกระดกมีหลังค่อมลงมันก็ดอกบัวที่เหลือแต่ฝักแกสอรกรีบล่นหมดค้อมลงไปใกล้ยะหัก คิดปร่งจิตสังขารของตนมาล่างกายสภาพของเรามีอย่างนี้แน่นอนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ต้องไม่สวยสดก็งามอย่างนี้เสมอไปไม่หนุ่มเสมอไปไม่คลานก็ไปหาความแก่คลานก็ไปหาความร่วงโรยมันก็ดอกบัวนี่เป็นธรรมดาจิตใจสบายลืมตามมาว่าจะเลิกตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงธิลมิตรดอกบัวดอกนั้นให้หักลงไปกับพื้นปัตตพี เธอมองดูดอกโบวนี้บอกเออดอกโบวนี้เป็นดอกบัวทองคําแข็งแรงในที่สุดก็มีสภาพเป็นอย่างนี้หักเรียรายกระจากระจายไม่เป็นชิ้นดีในที่สุดก็จะถมลงไปในพื้นปัตภีเป็นแผ่นดินไปหมดจึงกลับเข้ามาคิดถึงชีวิตของตนว่าเราเองก็มีความเช่นนั้นที่องค์สมเด็จพระพระกักตรวันทรงสอนว่าอนิจจังร่างกายเป็นของไม่เที่ยง ทุกขังร่างกายมีสภาพเป็นทุกข์อนัตตาในที่สุดมันก็ต้องสลายตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าแต่ภาพร่างกายคือกันหธามันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรานี่เป็นของจริงในที่สุดร่างกายเราก็ต้องสลายตัวไปแบบนี้ถ้าเรายังจะยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปคิดว่ามันมีความดีในที่สุดความทุกประเภทนี้ก็จะปรากฏ เมื่อกาละสมัยเข้ามาถึงตายแล้วถ้าเราเกิดเกิดก็ต้องวนมาเกิดเป็นเด็กแล้วมาเป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่มาเป็นคนตายอาการอย่างนี้มันจะหาที่สุดเป็นได้การเกิดแต่และคราวก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีปจัจจัยใดที่เป็นเหตุแห่งความสุขในเมื่อมันเป็นความทุกข์มันไม่เป็นความสุขเราจะยึดจะถือจะเกาะมันไว้เพื่อประโยชน์ตันใด ท่านพิจารณาไปในเรื่องนี้ในที่สุดจิตก็พ้นจากอสวกิเลสตากิเลสเป็นส ม, มุเทเฉติวิหารเป็นพระอรหันในขณะนั้นนี่ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารการที่องค์สมเด็จพระพ毗ชิตามานทรงสอนให้คนที่มีโทสะเยริตใช้กระสินสีประการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องประหารประหารโทสะ และในดีสุดก็ได้สำเร็จอาณ า, าตตผลอย่างนี้มีอยู่มากเกี่ยนั้นการที่พระมหาภพิจจะพิจรารณาพระธรรมคําสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาคเป็นการทําลายกิเลสให้เป็นสมุเทเฉติทหารก็ต้องใช้พระราชเ จ, จริยาพิจารณาว่าอาการที่จะต้องใช้อารมณ์จิต เมื่อเวลานี้จิตต้องการทรงตัวหรือว่าจิตต้องการคิดถ้าจิตต้องการคิดก็ต้องใช้กรรมฐานที่มีอารมณ์คิดที่เป็นข้าศึกกับโทสะจริตนั่นก็คือพรมวิหารสีถ้าหาว่าจิตต้องการอารมณ์ทรงตัวก็ใช้กรรมฐานคือกสินสีอย่างอย่างใหญ่ใดดังหนึ่งตามที่ตามพระราชตรียาสายที่เห็นว่าสมควร นี่การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดารพุทธบริษัทให้ปฏิบัติอย่างนี้บปะว่าองค์สมเด็จพระจินทสีพิจารณาเห็นแล้วว่าคนเราทุกคนย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันว่าใจบังคับให้ใช่อารมณ์ปักโดยเฉพาะอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ บางคนต้องการอารมณ์คิดและบุคคลคนเดียวกันบางครั้งชอบคิดบางครั้งชอบมีอารมณ์นิ่งๆทรงตัวนี่การใช้ประกรรฐานจะเข้าประหัสประหารโทรสัจจริตถ้าจะทรงตัดถามว่มาแค่ชาโลกีตัดได้เด็ดขาดไหมอันเนี้ยจตมาก็ต้องขอถวายพระอร ว่าแค่ฌานโลกีก็แค่ระ ง, งับได้ชั่วขณะเท่านั้นอย่างเก่งที่สุดก็ในขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิให้ยับยังอารมณ์ความโกรธความยะำ บ, บัดไม่ได้เท่านั้นก็เป็นทออันนี้ความจริงไม่แน่คนได้ฌานสี่บางครั้งเวลาจะเข้าฌานอาการคนโทสะจริตเข้ามาขวางอารมณ์เจ็บใจคนต่างๆมีอยู่ เป็นอนุวัาชานสู้อารมณ์เขาโทสะไม่ได้ว่า น, นั้นฌานพังบางท่านเวลาทรงฌานอารมณ์ดีแนบแน่งสนิทมีจิตมั่นอยู่ในฌานโทสะไม่สามารถจะมรกคุ่จิตได้แต่พอคลายอารมณ์เป็นฌานแล้วไม่ น, นานชัว่วขณะครู่หนึ่งอารมณ์ของโทสะจริต ก, ก็เข้ามาครอบงําได้นี่เป็นอนวุวาตในขณะที่ทรงฌานโลกี จะเชื่อว่าเป็นผู้มีการชนะโทสะจริตนั้นไม่เป็นความจริงเป็นได้เพียงว่ายับยังไม่โชคราวเท่านั้นหากว่าปฏิบัติอารมณ์ให้เข้าถึงบะโสดาบันอารมณ์ของโทสะจริตก็ยังมีความแรงกล้าตามปกติแต่แต่ว่าไม่ประทุษร้ายใครด้วยหน้าของสิงเกรงว่าสิงยาขาดนี่เพราเข้าถึงพระสกิทาคามี อาศัยที่มีพรหมีหานสีแก่กระามีอภัยทานเป็นสำคัญในตอนนี้รู้สึกว่ากำลังของโทสะจริตจะเพ่ากำลังโลมีเหมือนกันไม่มากนักแล้วก็ยับยั้งได้รวดเร็วโทสะจริตนี้ถ้าจะทำลายให้หมดไปได้จริงๆให้สิ้นสากก็ต้องเป็นพระอนาคามี สำหรับเรื่องราวของโทส์จริตนี้อตาตมาก็ขอถวายพระพรมาเพียงเท่านี้เพราะว่ามองดูเวลาก็เห็นว่าใกล้จะหมดเวลาเต็มทีถ้าถวายพระพรมากกว่านี้ไปก็เกรงใจว่าจะเผื่อก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้